พอเราเห็นภาพการปฏิบัติทั้งระบบได้นะการภาวนามจะไม่ยากนะไม่ค่อยนอกรู้นอกทางาเรามองภาพรวมของการปฏิบัติไม่ออกก็สเปสสปะไปเรื่อยๆก็ลองผิดลองถูกทําอย่างนี้น่าจะดีนะทำอย่างนี้น่าจะดีคิดได้เท่านีนะ้จริงๆเราไม่ได้ภาวนาเอาดีหรอกภาวนาต้องเหนือดีเหนือชั่วให้ได้แต่ว่าไม่ใช่แปลว่าให้ทําชั่วนะ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 แล้วเราก็ดำเนินไปเพื่อให้เกิดคุณสมบัติตามพระโสดาบันเดี๋ยวเราก็เป็นพระโสดาบันบางคนภาวนาเจ็ดวัน7็ดเดือนเจ็ดปีเขาก็เป็นได้นะย่ว่าแต่โสดาบันบางคนเป็นพระอระหันต์นะแต่ไม่ไม่ใช่ยุคเรานอะยุคเราหายากของเราเจ็ดปีได้โสดาก็ก็ใช้ได้แล้วนะพวกเราพวกอินทรีไม่แก่กล้าเท่าคนคลามงพุทธการ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 พระโสดาบันเห็นสิ่งที่เกิดดับพระอราหันนะ่ไปรู้แจ้งสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับนะเป็นคนละสะเต็ปกันนะนั้นพวกเรายัางไม่ต้องไปดูสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับในขณะนี้นะเอาขั้นต้นให้ได้ก่อนพระโสดาบันรู้ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปคาว่าสิ่งใดสิ่งใดสิ่งนั้นคืออะไรสิ่งใดก็คือกายกใจนี่เองทาไมไม่ไปดูอย่างอื่นทาไมต้องดูที่กายที่ใจ เพราะว่าเรายึดกายยึดใจเป็นตัวเราทำไมเราไม่ต้องไปดูจเจริญสติปัฏฐานดูโตะดูนาฬิกาดูไมโครโฟนไม่มีใครบ้าที่จะเห็นโตะเป็นตัวเราใช่ไหมไม่มีใครบ้าเห็นนาฬิกาเป็นตัวเรายกเว้นบ้านนะบ้าบอกชั้นคือนาฬิกาเนี่ยหรือชั้นเป็นไมโครโฟนงั้นโดยปกติถ้าเราสติสัมปชัญญะปกติไม่มีใครเห็นของข้างนอกเป็นตัวเราอยู่แล้ว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 แต่รู้กายอย่างที่มันเป็นรู้ใจอย่างที่มันเป็นมันจะยากอะไรนะนี่การที่จะรู้กายรู้ใจจนเห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปไม่มีตัวเราที่ถาวรนะก่อนจะเข้าใจคําว่าอนัตตานะต้องเข้าใจคําว่าอัตตาก่อนนะอัตตานี่ไม่ไม่มีในศาสนาพุทธนะพวกคือสีชีพายพวกพรามณ์แต่ก่อนนะเขาเชื่อว่ามีอัตตาคือมีตัวตนที่แท้จริงอยู่ในนี้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 แล้ว เ, เดินตุบป่องตุบป่องไปไปเกิดตรงโน้น ต, ตรงนี้จิตมันเกิดดับเป็นขณะขณะขณะไปเนี้ยนี่เราดูไม่เห็นเราต้องค่อยๆฝึกนะค่อยๆพัฒนาพัฒนาอะไรพัฒนาเครื่องมือสองอย่างที่จะทําให้เรารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้นะอนาตตาเนีเป็นความจริงอันหนึ่งนะอนิจจังทุกขังอนาตตาเนี่ยเป็นความจริง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 งั้เรียนธรรมะอย่าเพี้ยนเพียี้ยนง่ายนะไอ้น่อง ก, ก็ไม่มีอันนี้ก็ไม่มีเป็นมิจฉาทิฏฐิชื่อนัตถิกาทิฏฐิถ้าเป็นชาวพุทธเราจะรู้ว่าถ้ามันมีเหตุมันก็ ม, ถ ม, ม, ม, กมีถ้าไม่มีเหตุก็ไม่มีนี่นความจริงนะความจริงของกายของใจก็คืออ น, นิจจังทุกขังอนัตตาอ น, นิจจังก็คือมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทุกขังก็คือ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 อาจจะต้องมีตัวเออรเรอร์นิดหน่อยส้องคูณอะไรอีกนิดนิ ด, นดหน่อยหน่อยแล้วแต่แต่ละคนมีต้นทุนไม่เท่ากันบางคนมีสติมีสัมมาสมาธิแวบเดียวเท่านั้นคราวแรกที่มีแล้วก็ตัดเลย <c oughs> เพราะอะไรเพราะก็เขาแก่รอบมาละบางคนยังอินทรีย์ยังไม่แก่รอบนะก็ต้องดูแล้วดูอีกอดทนอดทนดูแล้วดูอีก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 ถ้าไม่เผลอไปล้วก็ไม่ไปเพง่งกายเพ่งใจให้นิ่งๆไว้เดี๋ยวพอปัญญาเขาเกิดนะไม่ต้องห่วงหรอกเกิดแงๆอยู่แล้วไม่ยากหรอกนะมันจะโง่อะไรปานนั้นจะไม่เกิดเลยทีเดียวหรือเป็นไปไม่ได้หรอกันะ้นอยู่ที่ว่าทำให้ถูกหลักนะพวกเราค่อยๆฝึกไปทำยังไงสติจะเกิดพูดทุกวันเลยสติเกิดเพราะจิตจำสภาวะได้แม่นงั้นเรียนกับหลวงพ่อนะถ้าใครเขาถาม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 เห็นไหมไม่มีวิธีทําให้สติเกิดหลวงพ่อประโมทไม่สามารถทำให้พวกเรามีสติได้แต่ถ้าจิตของพวกเราจำสภาวะได้แม่นสติพวกเราจะเกิดเองบางคนบอกหลวงพ่อนี่อภิเนหานมากนี่ถ้าหลวงพ่อไปทําพระเครื่องขายแนละ้วรวยไปนานแล้วนะร ว, รวยไม่รู้เรื่องเลยลนะ่ะลูกศิษย์วัดหลวงพ่อนะั้นมันชอบลดคว่ำแล้วมันไม่เป็นไรสักลายหนึ่งนละถคว่ำลดหงายลดหมุนเนี่ย แสดงนี้ใสเสียพวกใจร้อนเข้าใจไหมพวกที่มาเรียนกับหลวงพอ่อพวกใจร้อนพวกปัญญากล้าปัญญากล้าโทสะมันจะกล้าด้วยพวกรวดเร็วรุนแรงเพะฉะนั้นะพวกนี้ใจร้อนมากเลยขับรถก็โครมโครง ค, คลามคลามนะชวนพระแถววัดหลวงพ่อนะออกบินทบทัตถ้าหน้าหนาวเนี่ยพระต้องเปิดไฟท้ายนะ <c ười> คือมีไฟฉายถือเปิดไปข้างหลังนะไม่งั้นรถมันจะเยียบเอาพวกที่มาวัดนี่แหละพระก็ต้องมีไฟท้ายนะอ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 มาเอาตัวรอดได้ไม่ใช่หลวงพ่อขลั้งหรอกนะหลวงพ่อก็ต้องพูดแบบนี้นะไมงั้นเดี๋ยวจะมาขอพระเครื่องเราต้องฉลาดพอนะฝึกสติของเราเพื่อมาเป็นเครื่องคุ้มครองตัวเองเราไปก็ฝึกให้เกิดตัญญาจะเกิดปัญญาได้ต้องมีสติแล้วก็มีใจที่ตั้งมั่นวิธีฝึกให้สติเกิดก็คือหัดดูสภาวะไปเรื่อยๆวิธีฝึกให้เกิดสัมมาสมาธิมีสองวิธีวิธีหนึ่งทำฌาน หน้าตาพวกเราส่วนใหญ่ทำฌานไม่ได้เพราะใจร้อนทำฌานก็ททำกันแรมปีต้องเปลี่ยนชื่อเป็นแรมปีแรมเดือนแรมทศวรรษรน่งนี่พวกเราใจวักแกวกวกแวกเนี่ยเราทำฌานเต็มรูปแบบไม่ไหวเราก็ทำสมาธิ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 ติสมถะอยู่นะคะตอนนั้นอันนี้ก็ตอนนั้นได้ฟังตีดีหลวงพ่ออยู่ประมาณสองเดือนตอนนี้ขณะนี้เป็นยังไงตอนนี้จิตใจรู้สึกว่าคุ้งซ่านนะคะเห็นกิเลสล่อยไหมแต่ละวันบางวันเนี่ยก็จะถ้ามากิเลสแบบแรงๆสมมติว่าเป็นโทสะอย่างเงี้ยนะคะโกรธจะรู้คะ่ะแต่ว่าอพอรู้แล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันจะหลังจากรู้แล้วความโกรธหายไปก็จะว่า ง, อางๆอยู่ะคะ่ะอย่าไปพอใจในความว่าง นะความว่างก็เป็นแค่สภาวะอันหนึ่งเกิดแล้วก็ดับเท่าๆกับสภาวะอย่างอื่นเราไม่ได้พาวนาเอาความว่างนะเราพาณาให้เกิดปัญญาให้เห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปนั่นมีความว่างเกิดขึ้นมาก็แค่รู้เดี๋ยวมันก็ดับไปไม่รักษาไว้ในความว่างไม่รักษาจิตค่ะมันชอบไปติดอยู่ค่ะบางทีก็รู้ว่าว่างแต่ไม่หายติดความว่างก็คือติดสมถะอนะไปติดสมถะอีกแบบหนึง่งไปเพ่งอารูป อย่างแต่เดิมเพ่งลมหายใจเพ่งท้องอะไรอย่างนีนะ้แต่มาพอไปเพ่งความว่างก็ไปติดอรูปเป็นสมสถะเหมือนกันเพราะฉะต้องปล่อยนะอย่าไปเพ่งมันแค่รู้สึกปล่อยให้กายทํางานปล่อยให้จิตทํางานแล้วก็ตามดูมันไปเรื่อยๆอย่างตอนนี้จิตนหนีไปคิดเราก็รนะู้ว่าหนีไปคิดค่ะแล้วที่ปฏิบัติมานี้พอจะได้ไหมคะนี่ไงต้องไปฝึกอย่างนี้นะ ฝ, ฝึกรู้ไปเรื่อยๆค่ะอย่าไปเพ่งอย่าไปเพ่งความว่าง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 คือหลวงพ่อบอกว่าให้คอยดูความไม่พอใจอ่ะค่ะก็ดูว่าบางทีเกิดสภาวะอะไรเกิดขึ้นมามันก็จะมีความไม่พอใจแทรกขึ้นมาด้วยอะค่ะอืแล้วก็พอหลังจากที่เห็นความไม่พอใจก็จะบางครั้งก็จะเห็นมีความมีอัตตาตัวตนโผล่ขึ้นมาด้วยนั่นแหละภาวนาเก่งขึ้นลเพราะว่าเมื่อคืนก็เพิ่งภาวนาไม่ได้เรื่องมันละค่ะอมเมื่อคืนคือเกิดความกลัวเกิดขึ้นแต่แล้วจิก็บอกว่า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 นรมัสติกาหลวงพ่อครับก็เป็นคนหนึ่งที่ภาวนาแบบสเปสปะมาครับแล้วต่อมาก็ได้ฟังซีดีของหลวงพ่อแล้วก็ปฏิบัติตามในชีวิตประจาําวันก็คือดูจิตจิตใจเห็ น, นไหมว่าจิตใจเราเปลี่ยนแปลงไปดูป่อกไหมเปลี่ยนแปลงไปมากครับนะ เ, รเวล า, ม, ามีอารมณ์อะไรมา ก, มกระทบร่องแรงเนี่ยมันทําให้เราไม่รู้สึกสะทกสะทาครับอแันนี้อยากเลี้ยนถามหลวงพ่ออยู่ว่าที่ปฏิบัติอยู่ทุกวันเนี้เนี่ยถูกหรือเปล่าครับถูกนะแต่ขนาดนี้ไม่ถูก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 รับนมาสการครับอาจารย์ครับผมมาที่สาลาลุงชินคราวที่แล้วปรเดี๋ยวหลวงพ่อฟังไม่ออกเอาดังๆเลยครับอาจารย์ครับไม่ต้องพนมมือเอาอย่างนี้เลยเท่ๆเออผมมาที่สาราลุงชินอประมาณครั้งที่แล้วสิบสามเดือนครับเอผมมากราบขอบคําแนะนําครับอาจารย์ขอคําแนะนําครับ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 เออว่างไงก็ได้เดิมปฏิบัติสมถะมาหลายปีเลย อ, ะอ่ะแล้วก็มันได้ฟังซีดีของพ่อก็สัเงเกตใจใจมันก็เริ่มเปลี่ยนแล้วนะใจมันเริ่มตื่นขึ้นมานหลวงพ่อไม่ได้แกล้งว่าใช่ไหมกรรมาฐานที่ทํามาเก่ามันสมถะจริงๆริงเฮ้งอย่างเห้งลูก <มา S 1> เด<ล>ียวเลยนะแล้วก็เครียดไม่มีประโยชน์อะไรหรอกอย่างตอนเนี้คุณเริ่มเห็นแล้วลว่าทุกอย่างมันไหลไปไหลามา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 วันพรุ่งนี้ครับจะได้มีโอกาสไปบวชสามเนรพระฤาดร้อนนะครับก็ไปเจริญมีอะไรที่ไปเจริญสติเอ่ะครับอย่างเขาพานั่งสมาธิเราก็หัดนั่งไปด้วยความมีสตินะเขาให้เดินจงกรมเราก็เดินด้วยความมีสตินะเขาสอบอารมณ์ไหมก็มีบ้างนั่นแหะน่ากลัวที่สุดเลยพอสอบอารมณ์นัก็พยายามจะบังคับทุกคนให้เหมือนเหมือนกันมันผิดตรงนี้เลยแต่ละคนทางใครทางมันนะ เราไปบังคับทุกคนให้ปฏิบัติเหมือนกันหมดมันไม่ถูกหรอกมันทําไม่ได้ลูกดูจิตรู้จิตอยู่นี่ถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วขาบคุณมันเห็นทั้งกายเห็นทั้งจิตแล้วนะสติมนาัตโนมัติขึ้นมาแล้วรู้ไปเรื่อยๆนะเขาสอนอะไรเราก็ทําเป็นฟังฟัๆไปอีพิเถียงเขานะเสียเวลาแล้วเราก็ดูใจของเราไปโอ้ยสอนอย่างนี้ไม่ถูกหรอกเนี่ยเราจะรู้ต่อไปนี้จะรู้แล้วว่าใครสอนถูกหรือใครสอนผิดเมือนะจิตมันตื่นขึ้ น, นมาแล้วฟังปุ๊บก็รู้แล้วว่าอั น, นี่ไม่ใช่หรอก แต่ก็อย่าไปเถียงเขาเลยเดี๋ยวเขาโมโหเราก็ดูของเราไปกับน้งสการครับครับถ้าตอไปขอส่งการบ้านก่อนค่ะส่งในใจเหรอ <c oughs> ยังบังคับนะอย่าไปบังคับมันรู้เล่นๆปล่อยได้ไหมขนาดนี้บังคับอยู่ดูอกเปล่าแข็ง <c oughs> เออคื อ, ค, อคือเห็นอะไรไหวๆอยู่ว่ะค่ะเวลาเห็นเนี่ยต้องเห็นสบายๆนี่เห็นแบบแข็งเกินไปใจแข็งอยู่รู้สึกไหมเห็นแบบทุร้ายเนี่ย <c oughs> ดูสบายๆนะของคุณมันติดเพ่งอยู่นิดนึงเห็นไหมตัวนั้นไหวๆแต่มีตัวนึงนิ่ ง, งๆอยู่เนี่ย <c oughs> ตรงที่มีปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวไหวๆตัวที่มีปัญหาของคุณคือมันมีไอ้ตัวนิ่งอยู่ตัวหนึ่ง <c oughs> ตัวนี้ <c oughs> <ๆ S 2> เรายัางเพ่งอยู่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 จิตเป็นอัตตาบังคับได้รู้สึกไหมเราบังคับมันได้อยู่ได้นานเลยค่ะคือเวลาจิตมันรวมแล้วรู้สึกว่ามันสบายอะค่ะเออสบายก็ไม่เป็นไรพอจิตใจไปชอบความสบายรู้ว่าชอบไปเลยนะนี่ราคะเกิดขึ้นแล้วก็บางครั้งมันไม่รวมนะคะแต่เห็นไหมไหวไม่รวมอ่ะอ่เห็นไหวไหวทำไมไม่รวมเพราะเห็นไหวไหนั้นจิตมันเดินตัญญาอยู่อคนละเรื่องกันคือคือไปมาแล้วพอพอว่าไม่รวมเนี่ยเราก็อยากให้มันรวมบานครั้งก็ไม่รวมเลย ให้รู้ว่ามีโลภะนะแล้วโทสะก็เกิดแทรกเข้ามาด้วยมันไม่รวมอย่างใจนะ<า>ไปดูกิเลสเห็นไหมภาวนาแล้วกิเลสแทรกเยอะแยะไปหมดวันไหนรวมไม่พอใจมากเลยนะราคะแทรกวันไหนไม่รวมโทสะแทรกนะให้ดูตัวนี้นะให้รู้ทันกิเลส<า>ที่มันย้อมจิตนี่นะไม่ได้ภาวนาเพื่อจะให้รวมนะภาวนารวมเนี่ยเรียกว่ามักน้อยเกินไปอ๋อแล้วเมื่อคือนเนาะคะ่ะหลวงพ่อนั่งสมาธิแล้วใช่ไหมคะ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 มากน้อยเกินไปต้องให้มีปัญญานะไหนๆเจอพระพุทธเจ้าแล้วเจริญปัญญาไม่ได้เรียกว่าเสียโอกาสนะเอาไว้ชาติไหนไม่มีศาสนาพุทธนั่นะนะไปฝึกสมาธิให้มากๆหลวงพ่อคะคือพอ พ, อ, พอเห็นจิตดวงเป็นสว่างนะคะก็ น, นึกถึงว่าเคยอ่านเว็บไซต์นะคะที่เขียนโดยอุบาสกนีรับนามอะคะ่ะคือคอืออ่านแล้วจาได้ว่าท่านบอกว่าท่านเห็นดวง กำลังคุยกับน้องชายอยู่อ๋อแล้วเห็นดวงสว่างไม่ใช่ดวงสว่างนะจิตมันแหวกออกมาเลยความสว่างเกิดขึ้นไม่เป็นดวงนะถ้ายังมีจุดมีดวงมีต่อมมีที่ตั้งอยู่เป็นสมถะเป็นนิมิตไม่ใช่ของจริงนั้นที่คุณฝึกอยู่ไม่ใช่มรรคผลนะเป็นสมถะนะยังติดสมถะหน่อยๆน่อยด้วยยังไม่เกิดอริยามรรคน ะ, ะไปคนต่อไป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 เพราะในขณะนั้นถ้าคุณเห็นจิตอยู่คุณจะไม่เห็นกายเห็นเรื่องปกติเช่นเห็นจิตกำลังคิดไปคิดมาอยู่เนี่ยจะไม่สนใจกายอยากให้หลวงพ่อนำดูสภาวะธรรมสักหน่อยตอนนี้ประคองไว้นิดหนึ่งดูออกไหมประคองให้นิ่งนิดหนึ่งนะมัวนิดหนึ่งดูออกไหมมีโมหะแทรกอยู่นะพราะใจมันฟุ้งซ่านเนี่ยหัดดูไปอย่างนั้นดูเป็นละดูไปด้วยเอคนตไปใกล้ช็อคแล้วเอาคนนี้ หายใจไว้หายใจแรงๆเออนะเอา้านัการครับครับอาจารย์ตอนนี้ตื่นเต้นฮะใช่แล้วมันธรรมดา<จ>ปกติมันต้องตื่นเต้นจงใจ ม, มันตอนนี้จงใจปฏิบัติอยู่ครับเออทราถูกอ่าที่ผ่านมาปฏิบัติตอนนี้ตื่นเต้นครับเออตื่นเน <laughs> เป็นอย่างไงคราบ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 พิหารธรรมของผมคืออะไรครับอาจารย์ของคุณรู้สึกกายบ่อยๆน ะ, ะไปคนต่อไปถ้ารู้กายแล้วมันจะมารู้จิตชัดกราบนมำมศการค่ะเห็นนางมาไยในตัวเองทุกวันเลยค่ะอะไรนะเห็นนางมาไรอะค่ะใน ต, ตัวเองดีดออีไม่ทราบว่าจะต้องเสริมหรือพัฒนาตรงจุดไหนบ้างคะดูนังมาไายไปเห็นไหนางมาไายไม่ใช่เราเหรอก ค่ะมันร้ายของมันเองะนี่ดูอย่างนี้เรื่อยๆนะแล้วจะต้องมีอะไรเป็นวิหารละธรรมสําหรับโยมคะดูใจไปนะเห็นใจแกล้งไปแกล้งมาเห็นอยู่แล้วก็ดูไปค่ะแล้วตอนนี้รู้สึกเบื่อค่ะอืไม่ใช่ว่าไม่แน่ใจว่าเป็นเบื่อเบื่ออยากอยากหรือว่าเบื่อแบบมีปัญญานะคะเบื่อแบบเดี๋ยวหลวงพ่อเข้าใจนะหลวงพ่อกำลังสอบประวัติอยู่นะเบื่อเนี้ยยังเจือด้วยโทสะอยู่ ใช่ค่ะใช่ไม่ใช่เบื่อด้วยปัญญาค่ะนะไปดูอีกนะไปดูอีกค่ะอ่ะไปต่อไปกราบนมัสการเจ้าค่ะเอ่อ้นปฉันปฏิบัติมาไม่ทราบว่าถูกทางหรือเปล่าค่ะดีแต่ว่าเราเราไม่บังคับมันนะเจ้าค่ะค่อยๆปล่อยใจของโยมมันค่อยสว่างขึ้นมารู้สึกไหมรู้สึกมันเปลี่ยนไปจากแต่ก่อนนี้ละรู้สึกไหมเจ้าค่ะดูเล่นๆไปเรื่อยๆ <Okay. S 2> เห็นกายมันทำงาน <Okay. S 2> เห็นจิตมันทำงานไปเรื่อยโยมอย่าทิ้งร่างกายนะ <Okay. S 2> คอยรู้ร่างกายบ่อยๆ <Okay. S 2> ถ้าดูแต่จิตล้วนๆเดี๋ยวมันจะเบลอเบลอง่ายพยายามรู้สึกร่างกายเรื่อยๆเนี่ย <Okay. S 2> ใจใจใจหลงไปคิดแล้วทราบไหมทราบค่ <Okay. S 2> นะอย่าให้มันไหลไปถ้ามันไหลไปแล้วเรารู้ไหลปุ๊บปุ๊บ๊บ๊บไปเรารู้ทันว่าไหลไปแล้วนะ <Okay. S 2> ให้รู้ทัน เนี่ยใจไหลไปแล้วรู้สึกไหมให้คอยรู้ทันอย่างนี้นะแล้วก็ดูกายช่วยด้วยเดินจงกรมบ้างนะถ้าเดินแล้วเจ็บเขา่าก็นั่งก็ขยับไม้ขยับมืออะไรอย่างนี้ไปเอาร่างกายมาช่วยนิดนึงกล่าวด้วยการหลวงพ่อค่ะหนูอยากถามหลวงพ่อว่านูเหมาะดูกายหรือดูจิตอะค่ะดูอะไรได้ก็ดูไปนะมันดูได้ทั้งสองอย่างขอบคุณค่ะเพราะ บ, บางทีหนูสงสัยบางครั้งก็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 อย่างเวลาดูฟตุตบอลห น, นีนะคะก็จะมีคนภาคว่าโอเคบอลไปอยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้แล้วอย่างเงี้ยค่ะจิตจะเป็นแบบว่าจะคอยภาคคอยบอกว่าโอ๊ยตอนนี้ไปหยุดออกมาค อ, อ, อยห้าเฮาอยู่ไปหยุดใหม่ใหม่มันก็ชอบภาคนะต่อไปความสติมันเร็วขึ้นแล้วมันภาคไม่ทนมันก็เลิกไปเองอะ่ะมันภาคไม่ทันใช่มันมีค่ะบางครั้งมันไปสองเดงตึง๊กต เ, เราภาคไม่ทนันแต่ว่าพอภาคทันก็กลับมาภาคเหมือนเดิมห้าไม่ได้จิตมันจะภาคจิตมันเคยชินที่จะภาคต่อไปมันก็ไม่พูดอะไรมันรู้อย่างเดียวไม่พูด รู้เงียบๆเจ้าคุณนอสอนดีนะบบของจริงนิ่งเป็นใบ้ของพูดได้ไม่ใช่ของจริงตอนนี้ยังพูดอยู่ในขณะที่พูดนั้นไม่จริงในขณะที่รู้นะจริงแต่ตอนนี้พอรู้ปั๊บเราพูดต่อใช่ไหห้ามไม่ได้แต่ต่อไปมันไม่ไม่พูดแล้วรู้เฉยๆไม่พูดเลยเรารู้สึกเหมือนกับว่าจิตจะไม่อยากให้เจอค่ะไม่ไม่ไม่ให้เจอเขาคือแบบจะเหมือนกับได้ยินเสียงอะไรนิดนึงก็จะ เลยอนั่นแหละดีแล้วจิตมันวิ่งไปตามสิ่งเรานะถูกแล้วไปดูอย่างนั้นเละบางครั้งก็คือเขาไม่เห็นไหมสนุกที่จะคุยแล้วนะรู้ทันตัวเองไปนะคบางครั้งมันก็ว่างเลยค่ะหลวงพ่อว่างก็ชั่วคราวไม่เป็นไรถ้าสามวันสามคืนแล้วยังว่างอยู่นั้นติดว่างใช้ไม่ได้ขอบคุณนะคะกลาวนมาสการหลวงพ่อครับ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 ชาตินี้ไม่ได้ภาวนาะครับเพราะฉะนั้นเราทําไม่รู้ไม่ชี้นะครับผมขอบคุณครับให้เรารู้กิเลสของเราดีที่สุดครับของคุณของเก่าก็ทํามาดีแล้วนะอดูสิตว่าจะไม่บอกเราะนั้นเจริญสติไปนะฉีดมันมีสติแล้วฝึกไปเรื่อยๆขอบคุณครับกลับในพิธการหลวงพ่อนะคะคือดิฉันนะคะเป็นคนติดช่างพูดอ่ะค่ะก็จะมีความมีความรู้สึกว่าอินมากเวลาพูด ก็พยายามดูตามแต่ว่ารู้ทุกครั้งค่ะว่าเผลอพูดเยอะแล้วเผลอพูดไปแต่บางครั้งมันห้ามไม่ได้อะค่ะเหมือนพอมลมันอยากพูดแล้วมันห้ามไม่ได้แล้วนะเพราะฉะนั้นเราพยายามคลุกคลีให้น้อยๆพระเจ้าถึงสอนเบื้องต้นบอกไม่ให้คลุกคลีถ้ายุ่งกับคนอื่นมากก็ต้องพูดเยอะใช่ไหมพอพูดเยอะแล้วเราหลงนานเงี้ยเราก็พยายามห่างๆคนอื่นนิดหน่อยค่ะแล้วก็วกโดยปกติกิจกรรมที่ทำประจําวันก็จะมีการออกนวำกายนะคะ อยากจะทราบว่าจะดูกายดูใจยังไงคะเวลาเราเล่นกีฬานะคะต้องเล่นอะไรละ่ะ <G ül> ก็มีหมอนะคะทั้งแบดมินตันทั้ง<อ>เต้นแอโรออบิกนะคะเหมือนก็เล่นยากนิดนึงนะทําเพราะว่ามันรวดเร็วมากเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวไปอย่างนี้ยใช้ได้นะใจเราไปแค่คนดูนะใจเหมือนกับคนที่มาดูเราเล่นกีฬา <G ül> เราเห็นร่างกายเราเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาน <G ül> <G ül> ทําใจเป็นคนดูนะเราร่างกายให้มันเล่นกีฬาไปค่ะ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 ก็ไม่นะคะส่วนใหญ่จะเห็นคล้องต้องกันกับที่หลงพ่อเทศนะค ะ, ะแล้วไงหนูมีความสงสัยะค่ะขณะที่ฟังใช่ไ้ยคะหนูก็เห็นว่าเขาจิตอะค่ะเขาทำงานคือคือเขามีภาพตามที่หลวงพ่อเทศแล้วก็<อ>มีสภาวะจิงที่เราเกิดคือเทียบเคียงสอบคล้องอทำความเข้าใจไปนะคะ อ, อันนี้มีประโยคนึงที่หลวงพ่อเทศไว้ในซีดีนะคะว่า กายเขามีความเป็นกลางศักแต่ว่ารู้ศักแต่ว่าดูจนสภาวะทำที่ปรากฏอะคะ่ะไม่รู้ว่าเป็นอะไรใจหนูเขเลยไปย้อนภาพของความทรงจําที่เหมือนกับมันเทียบเคียงเป็นความเข้าใจว่าว่าเหมือนสภาวะนั้นนะคะใกล้เคียงกับคําที่หลวงพ่อเทศอะคะ่ะหนูก็เลยสงสัยว่าสภาวะนั้นน่ะค่ะทำงานตรงกับ มันเป็นอย่างที่หลวงพ่อเทศแน่นอนนะค่ะแต่ว่าการที่เราย้อนไปเนี่ยจิตเราฟุ้งซ่านไปอดีตล้วไม่เอานะพยายามรู้อยู่กับปัจจุบันไม่ต้องย้อนไปคนอดีตหรอกค่ะอันนี้หนูก็เลยอยากถามว่าที่ปฏิบัติอยู่เนี่ยค่ะหลวงพ่ออยากให้เพิ่มเติมปฏิบัติใช้ได้นะปฏิบัติได้ดีแต่ขนาดนี้ตื่นเต้นแล้วประคองเอาไว้ใช่ไหมกลัวมันจะคิดพูดไม่ถูกอะค่ะอ่แล้วใจสังเกตไหมมันดีใจใช่ไหมมันดีใจเวิบขึ้นมาเราก็เห็น หัดดูไปนะแต่ต้องดูสบายๆโดยไม่ปรักคลองไว้นะที่ฝึก อ, อยู่ใช้ได้แล้วขอบคุณค่ะฝึกมานานเท่าไหร่แล้วเนี่ยประมาณหนึ่งปีค่ะเออเก่งละกลักบรัรกา尔หลวงพ่อครับเคยมาหาหลวงพอ่พอหลวงพ่อบอกว่าเป็นยาล้ำหน้านะครับไปดูมาแล้วเห็นแล้วมันเป็นสัญญานะครับไ อ, อจิตที่รู้จริงๆมันก็มีนะครับแต่มันเกิดดับไปแล้วเออนั่นแหละแล้วก็รู้สึกไหมจิตเราเปลี่ยนไป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 กออกเพราะอ ะ, อะไรเพราะเรายัางไม่ถึงไตรสรานาคมเราไม่ได้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเราเที่ยวเอาอนนทเป็นที่พึ่งเอันนี้เป็นที่พึ่งเราไปเอาสติมาเป็นที่พึ่งเห็นไหมไรเราไม่ได้เอารพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งทําไมไม่ได้มีรพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเพราะตอนนี้ยังไม่มีปุถุชนไม่มีนะงั้นตอนนี้ก็อาศัยมีสติไปอย่างนี้แหละเรียนรู้ไปวันหนึ่งจิตมันเกิดปัญญาเห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับไปหมดเลยนะคราวนี้เราจะได้ที่พึ่งที่แท้จริง พ่ถือโอกาสนี้ขอเข้ามาหลวงพ่อด้วยที่เออนะ เ, ออเขามาเรียกอะไรนะโอะโหสิเออ <c oughs> บางทีก็นึกศับไม่ออกอขอบพระคุณครับคนต่อไปใครอยากขอเข้ามานะให้หมดเลยนะไม่ต้องขอทีละคนก ร, รับนมัสการหลวงพ่อครับหลวงพ่อเคยบอกว่าผมติดประคองนะครับผมอยากกลับขอคบแนะนำคำสัง่งสอนย้อรู้สึกไหมมันเปลี่ยนไปแล้วมันไม่ประคองอย่างแต่ก่อน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 สอามอาทิตย์นะครับมันติดมันหลงไปคิดนานนะครับเราต้องมีวิหารธรรมมีวินัยในตัวเองด้วยน ะ, ะทุกวันต้องไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมเลยแนละ้วทําสม่ําเสมอมันจะทําให้เรามีแรงไม่หลงนานน ะ, ะมีเครื่องอยู่อยากขอการบ้านอาจารย์ะนะครับไปกระดุกกระดิกไว้แล้วรู้สึกตัวขอบคุณตอนนี้จะไปดูจิตแล้วรู้สึกเนี่ยมันจะไปเพ่งหรือจิตจะนิ่งนิ่งไปเฉยๆพยายามรู้สึกร่างกายบ่อยๆนะ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 กี่บนมาสการหลวงพ่อค่ะหนูเคยเรียนเรียนหลวงพ่อแล้วค่ะว่าอาหนูเป็นอารมณ์แปรปรวนสองขั้วค่ะหลวงพ่ อ, อตอนนี้ยหนูขาดสติมากเลยค่ะหลวงพ่ อ, อเพราะว่ามันง่วงค่ะแต่ว่ามันนอนไม่หลับค่ะหลวงพ่ออืมไปหาหมอบ้างเปล่า <laughs> หาไปแล้วคือความทุกข์ทางใจเนี่ยนะ ม, มันเกิดจากเราไม่ยอมรับสิ่งที่เรากําลังเป็นอยู่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 หนูก็หาเครื่องอยู่เวลา น, นอนไม่หลับอย่างเงี้ยค่ะก็ะฟังซีดีหลวงพ่อไปเรื่อยๆเป็นเอ็มพสามทวนกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะอืมแล้วช่วงแรกๆมันก็จะหลับค่ะแต่ว่าวเคล็ดลับของการนอนหลับนะต้องสบายใจะนะถ้าเราฟังซีดีแล้วก็เมื่อไหร่จะหลับเมื่อไหร่จะหลับเนะี่ยเรากำลังฟังด้วยโทรศัไม่สบายใจไม่หลับหรอกนะ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 แล้วทำยังไงเวลาขาดสติตอกกลางวันค่ะก็ต้องนอนตอนกลางคืนให้ได้จะนอนกลางคืนให้ได้นะต้องทำใจสบายๆดูเล่นๆไปถ้าพอมันเครียดขึ้นมานะก็ร้องเพลงบ้างก็ได้นะหรือสวดมนต์หรืออะไรเงี้ยนะหนูทำมาแล้วทุกอย่างเลยค่ะสวดมนต์ไป ไม่สำเร็จเพราะใจไม่เป็นกลางจังไหมน ะ, ะปัญหาของคุณไม่ใช่ตรงอื่นหรอกปัญหาของคุณคือใจไม่เป็นกลางใจอยากจะหลับนั่นแหละหนูก็จะดูเห็นว่าตัวเองอ่ะอยากจะหลับอืมไม่เป็นไรหรอกนะกลางวันเบลอไปก็ช่างมันรู้ว่เบลอใช่ค่ะหนูก็เออรู้ว่าตัวเองกําลังขาดสติแล้วกาลังอยากมีสติอยู่เนี่ ย, ยกำลังขาดสติแล้วรู้สึกไหมค่ะนะเราก็คุยไปรู้รู้สึกอ่ารู้สึกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะคะ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 พยายมดูทุกอย่างไปเห็นไหมทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ผ่านไปฝึกอย่างนี้บ่อยๆฌานไม่ใช่เอาไว้ใช้ในชีวิตประจําวันฌานเป็นที่นอนพักเป็นที่พักจิตเวลาจิตฟุ้งซ่านล้วก็เข้าไปพักผ่อนพอพักผ่อนสมควรแล้วนะจิตถอยออกมาจากสมาธิแล้วเนี่ยมีสติตามรู้กาย ร, กรู้ใจเจริญปัญญาไปเรื่อยเห็นกายทํางานเห็นใจทํางานไม่ใช่ตัวเรานี่เรียกว่าสร้างญาณขึ้นมามีญาณ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 เพื่อประโยชน์สุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวปราบสิ้นกาลนานเทินยะถาวาริวหาปุราปริปูเรนตีสาคะรังเอวเมวายโตทินังเปตานังอุปกะปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุ สัพเพปูเรนตูสังกปาจันโตปนรโสยถ า, ามณิโชติระโยาาสยถาสพีติโยวิวัชจันตุสัพพโรคโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายยโกภาวะอาภิวาธนาสีลิสนิตจังอุทาปจจายิโนจัตตารโรธรรมวัฒนตีอายุวันโนสุขังพะลัง เดือนหน้าหลวงพ่อไม่ได้มาที่นี่นะภาวนานะภาวนาอยู่กับการปฏิบัติไปแล้วชีวิตจะมีความสุขนะเอาอย่างหลวงพ่อนะหลวงพ่อภาวนาหลวงพ่อทั้งวันเลยตั้งแต่เป็นควรวา ด, ดูของเราไปเรื่อยๆแล้วชีวิตมีความสุขจริงๆเลย